พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนควรมีความภูมิใจมีความดีใจที่ได้มานับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะมีความรู้ความฉลาดความสามารถเท่ากับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างง่ายได้คิดว่าง่ายคิดว่ายากกว่ายากกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร พระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่หายากยิ่งกว่าเพชรเนินจินดานานๆจะมีพระพุทธศาสนานมาปรากฏขึ้นในโลกนี้สักครั้งหนึ่งโอกาสที่เราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ง่ายอ่า ยากยิ่งกว่าการถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งโอกาสที่จะถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งมันก็ยากแสนยากอยู่แล้วโอกาสที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็ยิ่งยากกว่าการถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่าด้วยกันดังนั้นเราควรที่จะดีใจภูมิใจ และควรที่จะรักษาศรัทธาความเชื่ อ, อความเรื่มใสภาษาทาในพระพุทธศาสนาอย่าให้สูญสูญจากเราไปเพราะว่ามีพระพุทธธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นที่เป็นผู้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวพวกเรา ว่าพวกเราเป็นใครและอยู่ในสถานาภาพอย่างใดและควรที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานี่ดีกว่าดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าเราเป็นใคร เราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายที่ไม่ได้เป็นเราเราไม่รู้จักตัวเราเราไม่รู้จักสถานภาพภาวะของตัวเราว่าเราอยู่ในสถานภาพอย่างไรมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงค์เท่านั้นที่รู้ความจริงเรื่องราวเหล่านี้ะ ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะได้รู้จักตัวเราเองรู้จักว่าเรากําลังตกอยู่ในสภาพอยู่ในสถานภาพ <c oughs> อันใดอย่างไรและควรที่จะประปับปรุงแก้ไขให้มีให้มันดีขึ้นไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจาก การมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากการที่เรามามีศรัทธาความเชื่อมีภาษาทาความเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพราะเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อเราก็จะได้ศึกษาขอความรู้จากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พอเราได้ศึกษา ได้ยินได้ฟังความจริงที่เราไม่รู้กันมาก่อนเกี่ยวกับตัวเรา <c oughs> เราก็จะได้รู้และเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในสถานภาพอย่างไรและเราควรที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรถ้าเราศึกษาเราจะได้รู้ว่า เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นกันเช่นเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเอร่างกายนี้เป็นเราร่างกายนี้เป็นหญิงเป็นชายเอเป็นเชื้อชาติใดสัญชาติใดอันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย เรามาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับเราอาศัยรถยนต์ <c oughs> เป็นเครื่องมือพาเราไปไหนมาไหน <c oughs> เราต้องการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเราก็ไปซื้อรถยนต์หรือไปเช่ารถยนต์เพื่อที่เราจะได้ใช้รถยนต์พาเราไปตามสถานที่ต่างๆ ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นผู้โดยสารหรือผู้ขับขับรถยนต์ผู้ที่สั่งให้รถยนต์พาเราไปไหนมาไหนร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นคนขับร่างกายเราคือผู้สั่งให้ร่างกาย <c oughs> ทําอะไรต่างๆ เราสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวให้ลุกขึ้นให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้รับประทานให้ไปดูอะไรไปฟังอะไรให้ไปหาอะไรมาตามตามแต่ที่เราจะต้องการร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราผู้รับใช้เราเราเป็นเจ้านายเราเป็นผู้สั่ง ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราคือผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าจิตใจเป็นผู้ที่มาครอบของร่างกายเหมือนกับคนที่ไปซื้อรถยนต์ไปซื้อรถยนต์เขาก็ไปครอบครองรถยนต์รถยนต์ก็เป็นสม บ, บัติของเขาเป็นเครื่องรับใช้เขาเขาต้องการให้รถยนต์พาเขาไปไหน เขาก็สั่งให้รถยนต์ขับเคลื่อนไปนนี่คือความจริงข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะมาทําความรู้จักทาความเข้าใจกันเรามาได้ร่างกายตอนที่มีการเริ่มผลิตร่างกายขึ้นมาเวลาที่มีการผสมพันของพ่อของแม่พอมีการก่อร่างสร้างตัว เราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเป็นดวงวิญญาณในขณะนั้นก็ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วก็รอให้ร่างกายเจริญเติบโตพอโตแล้วก็คลอดออกมาจากท้องแม่พอออกจากท้องแม่มาเราก็ เลี้ยงดูร่างกายคอยหาอาหารคอยหาอะไรต่างๆที่ร่างกายต้องการเบื้องต้นก็อาศัยพ่อแม่เป็นผู้ช่วยหาให้เพื <c oughs> ่อให้ร่างกายของเรานี้จเจริญเติบโตขึ้นมาให้เป็นผู้ใหญ่ให้สามารถดูแลตัวเองได้พอดูแลตัวเองได้ก็ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ สามารถอาดูแลตัวเองได้หาสิ่งต่างๆที่ร่างกายต้องการมาให้กับร่างกายเหมือนกับเราได้รถยนต์มาเราก็ขับรถไปตามสถานีบริการเพื่อไปเติมน้ำมันเติมน้ำเติมลมเติมอะไรต่างๆให้กับรถยนต์เพื่อให้รถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนได้ไม่สะดุด หน้ากายของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราใช้ในการที่จะพาเราไปทําอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำํำใจของเรานี้มีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆทาง ต, า, งตาหูจมูกกลิ้นกายใจเราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับ สิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายเช่น อ, อุณหภูมิหรือของแข็งของนุ่มเราชอบสัมผัสกับสิ่งต่างๆเวลาที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่มาสัมผัสกับร่างกายเราเรียกว่าโพ ธ, ธัภาะนี่เราก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาส่วนใหญ่เราก็ จะรู้สึกมีความสุขเพราะเราจะเลือกเอาแต่รูปเสียงกยลิ่นรสผลตภะที่ให้ความสุขกับเราแต่บางเวลาเราก็ไปสัมผัสกับกรูปเสียงกลิ่นรสผลพะ ท, ที่ให้ความทุกข์กับเราเช่นเวลาถูกแม่ตีนทําอะไรผิดถูกลงโทษนถูกจับไปตี สมัยมก่อนเขาก็ลงโทษคนด้วยการใช้แสนนี้ก็เป็นผลถพะที่เราไม่อยากจะได้สัมผัสแต่บางทีมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถพะที่เราไม่อยากจะสัมผัสเช่นไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภในคุกในตารางทำไมเราต้องไป สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถพะในคุกในตารางก็เพราะว่าเราไปทำผิดกฎหมายกฎระเบียบของสังคมไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเขาก็เลยจับเราไปลงโทษด้วยการให้เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดถพะ ท, ที่เราไม่อยากจะเสพนั่นนี่คือชีวิตของพวกเรา ชีวิตของพวกเราอยู่กันด้วยการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทปะเวลาใดที่เราไม่ได้เสบเวลานั้นเราจะรู้สึกเหมือน เ, อเหมือนคนอดอะไรอดอยากขาดแคลนนะ เ, เป็นความอดอยากขาดแคลนที่รุนแรงกว่าความอดอยากขาดแคลนของร่างกายร่างกายเวลาขาดน้ําขาดอาหารก็จะรู้สึกอดอยากขาดแคลน แต่จะไม่รุนแรงเท่ากับเวลาที่จิตใจอดไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆจะมีความรู้สึกทรมานใจมากคนอดข้าวอดน้ำนี้ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่คนที่อดรูปเสียงกลิ่นรสผภะนี่จะคิดฆ่าตัวตายกันเพราะมันทุกข์ทรมานมากกว่า การอดข้าวอดน้ำ น, นี่คือเรื่องของพวกเราทุกคนเราเป็นดวงวิญญาณที่ล่องลอยมาพบร่างกายแล้วเราก็มาเกาะติดกับร่างกายที่พ่อแม่ของเราสร้างขึ้นมาให้กับเราแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขจากการเสด รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆเวลาเราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เราชอบเราก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาที่เราไปเสบสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบมันก็เกิดความทุกขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เราต้องคอยอวุ่นวายไปกับการ วิ่งหนีกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบวุ่นวายไปกับการวิ่งตามหาสิ่งที่ที่เราชอบอชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับความวุ่นวายกับเรื่องราวเหล่านี้หารูปเสียงกลิ่นรสหามาได้แล้วความสุขที่ได้มันก็หมดไปเหมือนกับผลไม้พอเราได้มา เราบีบน้ำผลไม้มารับประทานตัวผลตัวผลไม้มันก็ไม่มีความหมายพอเราได้ดื่มน้ำผลไม้แล้วกากมันเปลือกมันก็ไม่มีความหมายต่อไปเราก็โยนทิ้งแล้วเราก็ไปหาผลไม้ลูกใหม่มารับประทานฉันใดรูปเสียงกลินรสต่างๆที่เราเสพกันก็แบบนั้น ห้าวันข้างหน้านี้กำลังจะไปหารูปเสียงกิ่นรสไปเสพกันตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวพอหลังจากนั้นกลับมาทำงานไอ้รูปเสียงกิ่นรสที่ไปเสพมันที่ความสุขที่ได้จากมันก็หายไปหมด <c oughs> ก็กลับมาอยู่ตามสภาพเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ไปเหมือนวันนี้วันนี้วันที่สิบเอ็ดยังไม่ได้ไป เด ว, วันที่สิบเจ็ดกลับมาเหมือนกันถ้าเหมือนกันแล้วไปให้มันเหนื่อยทำไม <c oughs> ไปให้มันเสียเงินเสียทองทำไมที่ต้องไปเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้ <c oughs> ถ้ามันไม่ได้เสพแล้วมันจะตายมันจะทรมาน <c oughs> เหมือนคนติดยาเสพติด <c oughs> อดข้าวอดน้ำยังไม่ทรมานเหมือนกับอดรูปเสียงกลิ่นรสผดถะ มันจึงต้องไปกันตอนนี้ใช่ไมเดี๋ยวขับรถกันติดจ้าระวันบนท้องถนนติดตั้งแต่กรุงเทพไปถึงโคราชถึงเชียงใหม่เลรถติดยาวเหยียดถ้าอยากจะดูรถติด้าเนี้ยไปดูรถช่วงนี้จะอยู่บนถนนสายหลักๆนี้สามสาย <c oughs> จะเต็มไปด้วยรถลาเต็มไปหมด <c oughs> เพราะทุกคนอยากจะไปเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรถโพธทพะ ลูปเสียงกินรถพลทพ้าที่อยู่ด้วยมันชินชามันเบื่อหน่ายมันไม่มันจืดชืดน้ำมันถูกถูกดูดออกไปหมดนะเหลือแต่ซากของมันจึงต้องไปหาลูกเสียงกินรถกลุ่มใหม่มาเสพเหมือนกับไปเปลี่ยนผลไม้ลูกนี้ดูดน้ามันหมดแล้วดูดเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่มีน้าให้ดูดละ เราต้องไปเปลี่ยนลูกผลไม้ลูกใหม่มาดูดนอยู่ที่นี่นานๆเข้ามันก็ไม่มีมันก็จืดจางอยู่บ้านอยู่ที่ก็อยู่ประจําเดี๋ยวสักพักมันก็จืดจางเบื่อหน่ายมันไม่มีรสชาติเหมือนกับไปที่อื่นเออก็เลยต้องเปลี่ยนที่กันย้ายที่กันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเผ่าใด เหมือนกันหมดใชหฝรั่งก็หนีบ้านมาเมืองไทยคนไทยก็หนีเมืองไทยไปอยู่บ้านฝรั่งเพราะว่ามันรูปเสียงกลิ่นรถที่ได้เสพสัมผัสอยู่เป็นประจำมันหมดรถหมดชามันไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับที่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวพอไปที่ใหม่โอโ้รู้สึกตื่นเต้นถ่ายรูปส่งกันมาดูกันเดี๋ยวคอยติดตามดูมีรูปถ่ายเยอะแยะ โอวฉันไปที่นั่นฉันมาที่นี่ฉันได้กินนั่นฉันได้ดื่มนี่ฉันได้ทำนูน่นทำนี่โอดีอกดีใจกันสนุกสนานกันห้าวันเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเจอผลไม้ลูกเก่ากลับมาอยู่ที่เดิมก็ต้องทนอยู่กับมันไปเพราะมันไม่มีกำลังที่จะไปเงินหมดถ้ามีเงินไม่หมดก็คงจะไม่กลับมา แต่มันเงินหมดก็เลยต้องกลับมาหาเงินใหม่ก่อนมาทำงานใหม่ก่อนทำแล้วเดี๋ยวพอมีวันหยุดใหม่ก็ไปใหม่จากสงการก็ไปเข้าพรรษาแล้วไงีเดี๋ยวพอมีวันหยุดใหม่หยุดยาวอีกก็ได้ไปอีกชีวิตก็จะว่อนเยนอยู่ในการวิ่งหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะ ก็จะวิ่งไปจนกว่ามันจะมีอุปสรรคมาทาให้วิ่งหาไม่ได้เช่นเงินหมด้ะเกิดเกิดตกงานขึ้นมาทีนี้วุ่นวายแล้วไม่มีรายได้จะยุ่งอาจจะต้องไปหารายได้ใหม่แบบอื่นถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็อาจจะต้องไปหาโดยทุจริต ไปทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายล้้วก็ไปเสี่ยงต่อการที่จะต้องถูกจับไปลงโทษต่อไปแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปถ้าไม่ถูกจับก็จะทำไปเรื่อยๆหรืออาจจะหยุดเพราะกลัวจะถูกจับก็อาจจะบางช่วงอาจจะได้ หางานหาเงินโดยไม่ต้องทำผิดกฎหมายก็จะสามารถวิ่งหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไปได้เรื่อยๆจนถึงเวลาที่ร่างกายมันเข้าสู่สถานภาพที่มันไม่สามารถที่จะหาได้พอร่างกายเริ่มแก่เริ่มชราเร่แรงกำลังวังชาก็ด้อยน้อยลงไปลดน้อยถอยลงไป การที่ไปหารูปเสียงเกล่ดลดเพื่อมาให้ความสุขมันก็จะหาได้น้อยลงไปความสุขก็จะน้อยลงความทุกข์ก็จะมีเพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วถ้าไปเจอเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดน่างกายพิกลพิการไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เลยเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ ทรมานใจจนบางทีก็อยากจะฆ่าตัวตายนประเทศที่เขาเจริญที่เขาสามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ตอนที่ร่างกายเขาแข็งแรงสมบูรณ์เขาก็หากันแต่พอมาถึงเวลาที่ร่างกายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสลพทพะได้ ตอนนั้นเขาอยากจะข่าตัวตายอย่างนเดี๋ยวนี้เขาพยายามผลักดันให้มีกฎหมายออกมาเพื่ออนุญาตให้หมอช่วยฉีดยาให้คนที่อยากจะตายได้ตายอย่างสบายเพราะคิดว่าเป็นการฉีดยานอนหลับไปแล้วก็ตายแต่ความจริงมันมันฉีดยาพิษเข้าไปมันก็ต้อง เกิดความทรมานแต่คนไข้ไม่รู้คนตายรู้ก็ไม่กล้ามาบอกบอกไม่ได้ว่ามันร่างกายเวลามันถูกอะไรเข้าไปเนี่ยมันต้องเจ็บแน่ๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะเจ็บไม่นานแล้วก็หมดลมไปตายไปแต่พอตายไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดปัญหาไป เพราะว่าผู้ที่ตายก็คือร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์ที่เสียหรือพังไปแต่คนขับรถยนต์นี้ยังอยากไปไหนมาไหนอยู่เพราะรถเก่าเสียคนที่ยังอยากไปไหนมาไหนทำอะไรต่อไปก็ไปซื้อรถใหม่ใช่ไหมใค ร, ใค ร, รใครมีรถใครมีรถเนี่ยใครเปลี่ยนรถั้ยรถเก่าพังแล้วเลิกขับไหม ไม่ขับไม่เลิกหรอกถ้ามีมีความสามารถที่จะไปซื้อรถใหม่ได้ก็จะไปซื้อรถใหม่เพื่อที่จะได้มาขับใหม่ถึงแม้ว่าต่อไปมันจะพังก็ไม่สนใจขอให้มีรถขับไปก่อนก็คิดว่าจะเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆนั่งกายก็เป็นเหมือนรถที่เราเราใช้มันพาเราไปทำอะไรต่างๆพอมันตายไป ความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ยังไม่ตายไปกับร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปไม่ว่าจะตายด้วยแบบไหนแบบธรรมชาติแบบชราภาพแบบฆ่าตัวตายเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อช่วงที่รอรับร่างกายมันก็ ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทำํำว่าจะอยู่ในสถานภาพแบบไหนดวงวิญ ญ, ญาณนี้เวลาไม่มีร่างกายก็จะมีสถานภาพที่ทุกข์หรือสุขดวงวิ ญ, ญญาณที่สุขเราก็เรียกว่าพวกเทวดาดวงวิ ญ, ญญาณที่ทุกข์เราก็เรียกว่าพวกอบายพวกเปรตพวกอัศโลกายพวกนรกเนี่ยเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีความทุกข์ คอยให้แก่ใจอยู่ตลอดเวลาคอยผลิตความทุกข์ให้กับใจได้เสพตลอดเวลาดวงวิญญาณที่เป็นเทวดาก็มีความสุขคอยผลิตให้ดวงวิญญาณได้เสพอยู่เรื่อยๆในขณะที่รอรอรถคันใหม่รอร่างกายอันใหม่นี่นะผู้ที่ผลิตความสุขกับความทุกข์ ก็คือบุญและบาปที่เราทํากันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะที่เรามีร่างกายนี่เองแล้วเราก็จะเวลาร่างกายตายไปเราอยู่ในช่วงที่ไม่มีร่างกายเราก็อาศัยบุญหรือบาปที่เราทํานี้เป็นผู้ผลิตความสุขและความทุกข์ให้เราได้สัมผัสเราไม่อยากได้ความทุกข์หรืก แต่เนื่องจากความโง่ของเราความไม่รู้เรื่องของเราทําให้เราไปทําบาปกันเพราะเราคิดว่าเวลาทําบาปเราจะได้ความสุขกันถ้าได้ก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเช่นไปขโมยเงินของคนอื่นเราก็ได้เงินเขามาเราก็เอาไปใช้ไปซื้ออะไรเราก็ได้ความสุขแต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังสะสมบาปที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจ วพราะเวลาเราทำบาปนอกจากเรามีความสุขความดีใจที่ได้เงินมาแต่ในขณนะเดียวกันเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจกลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวถ้าใครเข้ารู้เข้าเห็นเขา้าเขาก็อาจจะไปแจ้งความไปให้ตำรวจมาจับไปลงโทษได้ เห็เวลาทํำบาปนี้มันจะได้ทั้งความสุขและความทุกข์ความสุขก็แบบเดี๋ยวเดียวพอเงินที่ได้เข้ามาขโมยไปหมดความสุขนั้นหมดไปแต่ความทุกข์มันไม่หมดความทุกข์มันยังติดอยู่ในใจต่อไปและมันจะโผล่ขึ้นมาเวลาที่เราไม่มีร่างกายหรือเวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกาย เช่นตอนที่เรานอนหลับตอนที่ น, นอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนตายไปชั่วข่าวเหมือนคนตายชั่วข่าวตอนนั้นใจก็เลยต้องอาศัยบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้มาเป็นผู้ให้ความสุขหรือความทุกข์อันนี้เราไม่รู้แตเ่เป็นโดยอัตโนมัติพอเราหลับปั๊บนี้บุญหรือบาปที่เราจะทานี้ จะมาเป็นผู้สร้างความสุขความสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาเรานอนหลับเหมือนถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีเตอนนั้นบุญกําลังสร้างความสุขให้กับใจเวลาเรา น, นอนหลับแล้วฝันลายนบุญนี้บาปนี้แหละเป็นผู้ที่สร้างอสร้างความทุกข์ให้กับใจฝันสร้างเรื่องฝันไม่ดีให้กับใจน แล้วมันจะทำหน้าที่อย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่ทำหน้าที่บุญกับบาป ก, ก็จะมาทำหน้าที่แทนร่างกายเวลามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายมาทำหน้าที่หาความสุขหนีความทุกข์ให้กับเราแต่เวลาเราไม่มีร่างกายเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมความสุขความทุกข์ที่จะโผล่ขึ้นมาในใจของเราได้ เพมันอยู่ภายใต้อํานาจของบุญของบาปที่เราได้ทําไว้เวลานอนหลับก่อนจะนอนหลับเราตั้งว่าคืนนี้จะฝันดีได้ไหยตั้งใจว่าคืนนี้จะฝันดีทําให้ฝันลายตั้งไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอิทธิพลของเราเวลาตื่นนี้เรายังตั้งได้สั่งได้ว่าวันนี้ไปหาความสุขนะอย่าไปหาความทุกข์นะมันยังพอสั่งได้แต่เวลาหลับเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ เราสั่งความสุขสั่งความทุกข์ไม่ได้เพราะว่าบุญหรือบาปนี้จะเป็นผู้มาทำหน้าที่สั่งให้มีความทุกโผลขึ้นมาหรือสั่งให้มีความสุขโผล่ขึ้นมาเนี่ยนั่นแะช่วงเวลาที่เราร่างกายตายไปเนี่ยเราคือเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณของเราก็จะถูกบุญและบาปนี้มา สร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับเราในช่วงที่เรา <c oughs> รอไปรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่เรารอเราต้องรอให้บุญหรือบาปที่มีที่พลต่อจิตใจเราหมดกำลังลงก่อนหมดอีที่พลก่อนไม่สามารถผลิตความสุขหรือผลิตความทุกข์ให้กับเราเราถึงจะไปอยู่ในตำแหน่งที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ได้ นี่คือเรื่องของเราที่เราไม่รู้กันเพราะเราตัวเรามันเป็นมนุษย์ล่องหนพูดง่ายๆไม่มีรูปร่างหน้าตาเราใช้ร่างกายเป็นตัวแทนเราเราก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายเพราะว่าอะไรเป็นของเราเราก็จะรักจะหวงน่าจะอยาก ให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดพอมันไม่เป็นตามความอยากมันก็สร้างความทุกข์ทรมานใจให้เราทุกครั้งที่เรามามีร่างกายเราก็จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายทุกวันทุกเวลาต้องบรรเทาทุกกันอยู่เรื่อยตื่นเช้าขึ้นมาต้องก็ต้องเข้าห้องสุขาละ ห้องสุ ข, ขาก็เพื่อเป็นไปหาความสุขด้วยการบรรเทาทุกข์เนี่ยร่างกายมันมีความทุกข์ต้องเข้าห้องสุ ข, ขาเข้าห้องน้ําเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากการปวดท้องปวดอะไรนี่คือเรื่องของการที่เรามาเกิดกันเนี่ยเพราะเรามีความอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็เลยต้องมามีร่างกายกันพอได้ร่างกายเราก็มาหาความสุขบางทีก็หาความสุขด้วยการทำบาปบางทีก็ไม่ได้หาความสุขด้วยการทำบาปบางทีเราโชคดีมีความสุขมากกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บไว้ได้มีเงินทองมากกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นถ้าเราทำ เอาแบ่งความสุขของเราแบ่งเงินทองของเราให้คนอื่นก็เรียกว่าเราได้ทาบุญนะแต่ส่วนใหญ่บุญนี่จมาทีหลังบาปมันจะมาก่อนเพราะเวลาเราอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายถ้าเราไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาปเราก็จะทำบาปกันทำตั้งแต่เด็กนะเด็กนั้นต้องคอยสั่งคอยสอนไม่ให้ลักไม่ให้ขโมยใช่ไ อยากจะได้ของแต่ไม่มียังไม่มีกําลังซื้อไม่มีการไปทำงานหาเงินหาทองของตนเองได้ก็มักจะขโมยของของคนอื่นมาเสพมาสัมผัสเห็นของเล่นของคนอื่นก็อยากได้ก็ขโมยของเขามาทันทีนั้นเกิดมานี้เราจะทำบาปกันก่อนที่จะทำบุญเราจะทำบุญได้ก็ต่อเมื่อเรามี ข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วเราก็สงสารเริม่มเมตตาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขให้เขาไม่มีความทุกข์เราก็ถึงจะได้ทําบุญกันทั้งส่วนใหญ่มาเกิดนี้มักจะทําบาปกันมากกว่าจะทําบุญกันเพราะว่าความอยาก ที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัฑ์มันคอยจะบีบคั้นจิตใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกอยู่เรื่อยๆเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเน่ยแล้วถ้าไม่สามารถหาโดยวิธีสุจริตได้ก็ต้องหาโดยวิธีทุจริตเน่ย <c> เ <oughs> นี่นี่คือสถานภาพของพวกเราตอนนี้ก็คือพวกเราตอนนี้เป็นเหมือน คนติดคุกติดคุกติดตารางตารางที่เราติดอยู่นี้มีกำแพงสี่ด้านด้วยกันด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บ ด, ด้านหนึ่งเรียกนน ว, นนว่าตายเนี่ยเราติดอยู่ในคุกนี้มานานแสนานานแล้วไม่รู้กี่กี่สกี่คุกแล้วเปลี่ยนคุกอยู่เรื่อยๆพอคุกนี้พังไป ก็ไปหาคุกใหม่มาอยู่ต่อไปเกิดใหม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่พอตายเสร็จก็ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ช่วงที่รอไปเข้าคุกก็ไปรับผลบุญผลบาปให้บุญกับบาปมาผลิตความสุขความทุกข์ให้กับเราได้เสพได้สัมผัส น, <c oughs> นี่คือสถานภาพของพวกเราพวกเราเป็นพวกที่ติดคุกพวกที่ต้องย้ายคุกอยู่ในเเยอะ พอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปติดคุกไปติดร่างกายอันใหม่เพราะว่าการได้ติดคุกนี้มันได้มีโอกาสได้เสพความสุขบ้างแต่ก็เป็นความสุขแบบประเดียวประดาวเป็นความสุขที่จะทําให้ทรมานใจเวลาที่ไม่ได้เสพนี่แหละคือสถานภาพของพวกเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นดวงวิญญาณที่ไปเกาะร่างกายแล้วก็ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราก็ไปทุกข์กับการไปเสพสัมผัสกับรูปเสียง ก, กลิ่นรสผลภะที่ไม่ถูกใจแล้วก็ไปทุกข์เวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะที่ถูกใจมันก็จะทุกข์อย่างนี้ไปทุกพพทุกชาต ไม่มีวันหยุดเพราะว่าตัวที่ผลักดันให้จิตใจนี้ไปมีร่างกายนี้ไม่มีไม่ได้ถูกทำลายเพราะไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรอย่าว่าแต่ไปไม่รู้ไอ้ตัวนี้ตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเลยตัวเองทุกครั้งมาเกิดก็คิดว่าเป็นร่างกายแล้วก็ คิดว่าปัญหาของตนเองก็คือการไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดเสพก็จะคิดแก้ปัญหาตรงนี้อยู่อย่างเดียวคิดที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นลดเสพเสพแล้วก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายเวลาที่ไม่ได้หาก็ทุกข์ทรมานก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรรู้ว่าเกิดจากการไม่ได้เสพมันก็จะบุ้งแต่การไปเสพอย่างเดียว ไปหารูปเสียงกลิ่นรสอย่างเดียวอพอไม่มีร่างกายมันก็วุ่งไปหาร่างกายอันใหม่หเพื่อที่จะได้มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสโพธภพใหม่มันเลยไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่ทำให้วนเวียนอยู่ในการเกิดแก่จเจ็บตายวนเวียนอยู่กับความทุกข์ของการที่ไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสความทุกข์ที่ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจนี่มันเกิดจากอะไรเพราะไม่มี ปัญญาที่จะมานั่งคิดได้คนที่ยังมีปัญญานี้นานๆจะโผล่ขึ้นมาสักคนหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่คิดเป็นคิดถึงสาเหตุว่าทำไมร่างกายทำไมต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายทำไมต้องมามีร่างกายก็มองเข้าไปข้างในก็เห็นว่า อใจเนี้ยความคิดความเนี่ยมันคิดอยากจะได้แต่รูปเสียงกลิ่นลอดแล้วเวลาที่หยุดความคิดได้มันก็ไม่ทรมานใจก็เลยเห็นว่าอ๋อความทุกข์ความทรมานใจเกิดจากความคิดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆนี่เองเพราะเวลาไปฝึกหยุดคิดหยุดความอยากความทุกข์ทรมานใจ ที่เกิดจากความคิดความอยากเหล่านี้ก็หายไปอันนี้คือคนฉลาดที่มานั่งคิดนั่งคน้นนานๆจะมีคนฉลาดสักคนหนึ่งที่จะมาคิดมาค้นเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเรื่องอย่างอื่นนี่มีคนคิดคนเยอะเรื่องทางร่างกายเรื่องทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีคนคอยคิดค้นหาของแปลกๆใหม่ๆ ออกมาเสพอยู่เรื่อยเห็นไหมมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆออกมาให้เสพอยู่เรื่อยๆมีภาพยนตร์แปลกๆใหม่ๆมีเสียงเพลงเสียงอะไรมาให้ฟังแปลก ๆ, ๆใหม่ๆเส่วนใหญ่จะคิดค้นไปทางนี้จะคิดค้นไปหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแปลก ๆ, ๆใหม่ๆมาให้เสพคิดค้นวิธีที่จะตอบสนองความอยากต่างๆฮ อาจะเดินทางเร็วก็คิดหารถยนต์สมัยก่อนต้องเดินพอเดินแล้วก็เลยคิดค้นหาหาหาเกวียนะไปไปค้นพบวงล้อเขา้าวงกลมเขา้าก็เลยมาได้วงล้อวงล้อก็เลยมาทําเป็นเกวียนทําเป็นรถรถตอนต้นก็ต้องใช้วัวใช้ควายลหรือใช้คนเข็นะ ต่อมาก็มีคนฉลาดคิดคน้นผลิตเครื่องยนต์เครื่องจักรขึ้นมาเพื่อที่จะได้ชุดลากรอให้มันวิ่งไปได้เร็วขึ้นไกลขึ้นสบายขึ้นมันก็คิดค้นอยู่แต่เรื่องการตอบสนองปัญหาความอยากแต่จะไม่มีใครมาคิดค้นว่าทำไมต้อ ง, องมาหาทำไมต้องมาหารูปเสียงกฤฤฤฤิ่ดรถผลทพาอยู่เรื่อยทาไม ไม่หยุดมันทำไมไม่ไม่หยุดหามันก็ไม่มี <c oughs> ใครคิดกันนานๆจะมีคนคิดคนก็คือพระพุทธเจ้าตอนต้นก็สาเหตุที่ทำให้คิดก็คือเห็นอนาคตของร่างกายของตนเองว่าต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เห็นสภาพคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็รู้ว่าไม่อยู่ในสถานภาพที่จะหาความสุขได้ ก็เลยไม่อยากที่จะแก่จะเจ็บจะตายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอดีไปพบไปเห็นนักบวชเข้าก็ได้ยินว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่จะหาวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกเวลาที่แก่ที่เจ็บที่ตายหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมมีร่างกายมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน ก็เลยลองอยากจะไปทดสอบหาหาวิธีที่จะทำให้อยู่แบบไม่ทุกข์ตอนที่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เลยไปศึกษาเขาก็สอนวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์ก็คือต้องทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดหยุดความอยากเวลาหยุดคิดหยุดความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจที่เวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย มันจะหายไปเพราะตอนนั้นมันหยุดคิดพอหยุดคิดเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มาทําให้ใจไม่สบายใจแต่อย่างใดแต่มันก็หยุดคิดได้เป็นพักๆเพราะยังไม่สามารถหยุดคิดได้อย่างตลอดเวลาหยุดคิดได้ชั่วคราวนั่งสมาธิจิตก็เข้าไปอยู่ในสมาธิได้ชั่วครัง้งชั่วคราว พวกที่นั่งสินเกีย ง, งก็จะเข้าไปได้ทีละาสิบวันสิบห้าวันพวกฤาษีชีพัยที่เรียกว่าเข้าฌานเข้าฌานสมาบัติพวกนี้เข้าได้ทีสิบห้าวันแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกมาเพราะร่างกายมันต้องมีการเติมอาหารเติมน้ำมีอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ไม่ได้ก็ยังต้องออกมา พอออกมาก็ต้องคิดพอเผลอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็กลับมาใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าทำยังไงไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความตายเวลาที่ออกมาจากเวลาเข้าไปในสมาธิเวลาเข้าในสมาธิเวลาหยุดความคิดความอยากมันก็ไม่ทุกข์แต่เวลาออกมามันก็ต้องคิดเวลาเผลอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย มันก็ทุกขึ้นมาใหม่ในมันยังไม่รู้ว่าทํำยังไงถึงจะไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นหาคําตอบด้วยตนเองค้นไปค้นมาก็พบว่ามันเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองเพราะอยากจะใช้ร่างกายหาความสุข พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายหาไม่ได้ก็เลยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพอเกิดความไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาะก็เลยส่มกลบว่าตัวที่ทําให้ทุกข์ก็คือความอยากอยากใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆแล้ว พอใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตายไม่สามารถหาความสุขจากมันได้นั่นเองแต่พอเข้าไปในสมาธิก็หยุดความคิดหยุดความอยากเหล่านี้ชั่วคราวความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมาชั่วคราวตอนหลังพระพุทธเจ้าก็เลยคนพบว่าก็อยากไปอยากมันสิอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเพราะเราสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ใจเราไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปกังวลกับมันมันจะแกหรือมันจะไม่แกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปพรองก็เลยส่งหยุดความอยากไม่แกอยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขาะสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้หาความสุขจากการทำใจให้สงบได้พระองค์ก็เลยไม่ต้องทุกกับร่างกายไม่ต้องทุกกับสิ่งต่างๆต่อไปพอเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นไปอยากไม่ได้อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้อยากไม่ให้เขาดับไม่ได้ ของทุกอย่างในโลกนี้ถ้ามีเกิดก็ต้องมีดับมีร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะอยากถ้าอยากก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์แต่ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้เขาก็เกิดก็ดับของเขาไปอยู่เป็นปกติมีมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับมีร่างกายเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตาย มีอะไรต้นไม้มันโตขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ตายไม่มีอะไรที่จะอยู่ถาวรมีวัตถุข้าของเงินทองก็เหมือนกันมีกรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวมันก็พังไปมีกรุงสุขโขทยัยมันก็พังไปมีอาณาจาักรกรุงลมมันก็พังไปทุกอย่างในโลกนี้มัน สร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องพังไปในที่สุดมีปีละเมตดมันก็พังไปมีอะไรกำแพงเมืองจีนสร้างมาแล้วมันก็พังไปไม่มีอะไรที่จะถาวรถ้าไปอยากให้ถาวรก็จะทุกไปเปาเนั้นความปัญหาของใจของเราทุกคนก็คืออยากจะให้ของที่เราเป็นของเรานี้มันถาวร ซึ่งของที่เป็นของเรามันก็เป็นเหมือนของที่ไม่ได้เป็นของเราเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรถาวรในโลกนี้มีแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปหมดไปถ้าไปอยากให้มันถาวรเวลามันเปลี่ยนเวลามันหมดก็จะทุกข์เนี่ยถ้าไม่มีความอยากให้มันเปลี่ยนไม่มีความอยากให้มันถาวรเวลามันเปลี่ยนเวลามันไม่ถาวรมันก็จะทำมันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์เนี่ยนี่คือ การตัดสรุปของพระพุทธเจ้ารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยต้องไปมีร่างกายพอได้ร่างกายก็ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะไม่อยากให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายอยากจะใช้มันหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสไปตลอดเวลา แต่พอเราไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ทุกข์ขึ้นมาอีกทุกข์แล้วบางทีถึงกับฆ่าตัวตายไปฆ่าตัวตายไปก็ไม่ได้ไปฆ่าตัวที่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากต้องมาฆ่าความอยากถึงจะฆ่าความอยากได้ก็ต้องมาหยุดความคิดหยุดความอยากในเบื้องต้น พอหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วก็มาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับอย่าไปอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปอยากให้มันไม่ไม่ดับแล้วใจจะไม่ทุกข์ถ้ายังมีความอยากอยู่อยากให้มันไม่ดับก็จะทุกข์อันนี้สอนใจแล้วต่อไปมันก็จะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร พอมันเห็นว่าสิ่งที่ได้มามันจะต้องมีวันดับมีวันเปลี่ยนไปมันจะทําให้เราทุกข์นั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าอย่าไปมีอะไรอย่าไปมีร่างกายอย่าไปมีลูกเสียงกลิ่นรสอย่าไปมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพาให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เจนอย่าไปมีเงินทองอย่าไปมีตำแหน่งอย่าไปมีอะไรต่างๆนานา มันให้ความสุขเราเดียวเดียวแต่มันจะให้ความทุกข์กับเราเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปให้อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวพอให้กลับมาอยู่ที่การไม่คิดไม่อยากไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้ารู้แล้วว่าความคิดแบบไหนไม่ดีก็อย่าไปคิดมันเท่านั้นถ้าคิดไปในทางความอยากก็หยุดคิดถ้าคิดไปในทางไม่มีความอยากก็คิดได้ ไม่ต้องเข้าสมาธิตอนต้นไม่รู้ว่าความอยากแบบไหนดีความอยากแบบไหนไม่ดีเนี่นยก็อะไรต้องหยุดมันทุกอย่างพอหยุดได้แล้วทีนี้ก็มีเวลามาแยกแยะว่าอ่อเวลาคิดไปทางความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาคิดว่าไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มามันทำให้สุขไม่ต้องไปวุ่นวายเห็นถ้าอยากเป็นสสอเนี่ยตอนนี้ยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องเป็นสสออยู่เนี่ย เลือกตั้งกันมาไม่รู้กี่วันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครได้เป็นใครไม่ได้เป็นเนี่ยก็ยังวุ่นวายกันอยู่แต่คนที่เห็นว่ามันเรื่องวุ่นวายไม่ไปสมัครสอสอดีกว่าสบายกว่าใไมไม่ต้องวุ่นวายกับการเป็นสอสอไม่เป็นหรือไม่เป็นสอสอก็ไม่เดือดร้อนนี่คือต้องเปลี่ยนความคิดหยุดความคิดที่ไปในทางความอยากอยากได้รูปเสียงกิ่นรต้องหยุดมัน อยากได้ลาบยศสรรเสริญต้องหยุดมันไม่อยากได้อะไรดีที่สุดอยู่เฉยๆได้ดีที่สุดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบไม่มีความอยากแล้วใจจะมีความสุขใจไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆอีกต่อไปเพราะเรารู้ความจริงแล้วว่าความสุขของใจเรา อยู่ที่ความปรากจากความอยากนี่เองเห็นทุกครั้งที่เกิดความอยากก็หยุดมันเสียถ้าเราฝึกจิต ด, ด้วยสติถ้าเรารู้จักหยุดคิดหยุดความอยากได้ต่อไปเราก็จะสามารถเลือกหยุดได้เลือกหยุดความคิดความอยากที่เป็นทุกข์ความคิดความอยากที่ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องหยุดมันใช้มันเป็นประโยชน์ได้ต่อไป เป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านก็ยังคิดอยู่แต่ท่านไม่ได้คิดไปในทางความอยากท่านคิดในทางเป็นปัญญาเป็นความรู้เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ต้องใช้ความคิดแต่ความคิดที่เอามาคิดเอามาสอนท่นนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเพราะเป็นความจริงเป็นความรู้ถ้าไปคิดในทางที่ไม่เป็นความจริงเป็น เป็นความคิดที่ขัดกับความจริงอยากให้มันไม่เป็นอย่างตามความเป็นจริงมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยถ้าไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถาวรจีรังถาวร อ, อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงพอมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็จะเสียใจ คนที่เสียใจเพราะว่าสูญเสียความสุขที่เคยได้จากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเพราะคิดว่าคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่พอเขาเปลี่ยนไปเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราเราก็เลยเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราคิดว่าคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเราไม่ไปหวังอะไรจากเขาดีกว่า พะเราไม่ไปหวังไปอยากได้อะไรจากเขาเขาจะให้อะไรเราหรือไม่ให้อะไรเราเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอนี่คือวิธีคิดต่อไปอย่าไปหวังอย่าไปอยากได้อะไรจากใครให้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรเราจะไม่ผิดหวังเพราะใจที่ไม่มีความหวังไม่มีความอยากจะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขมีแต่ความพอ เพราะนี่คือธรรมชาติของใจตอนนี้ใจของเรามันไม่เคยอยู่ในสภาพพอเพราะมันถูกความอยากคอยกระตุ้นให้หิวให้ต้องการอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้อย่างถาวรต่อไปจะไม่มีอะไรมากระตุ้นใจของเราให้หิวให้อยากให้ต้องการอยู่เฉยๆก็พออยู่เฉยๆก็มีความสุข อยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสพอไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังต้องมีร่างกายอยู่ก็ต้องไปคอยเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้หมดตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แต่พอไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วก็หยุดไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่อยู่เฉยๆก็มีความสุข ไม่ต้องมีร่างกายก็มีความสุขได้ไม่มีร่างกายให้มันทุกข์ทำไมนี่คือเรื่องของพระเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของพวกเราที่เราไม่รู้กันต้องรอให้พระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสาวกมาสอนมาบอกเราพวกเราถึงจะได้รู้กันเมื่อเรารู้แล้วถ้าเราทําตามที่ท่านสอนได้เราก็จะ อยู่อย่างมีความสุขต่อไปเราจะไม่ต้องมาอยู่แบบที่เราอยู่กันแบบนี้คืออยู่แบบเวียนว่ายตายเกิดเราจะอยู่แบบไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่าไม่ต้องมีความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกที่เป็นเหมือนใจของพวกเราก่อนที่ท่านจะได้ค้นพบกับความจริง พอท่านได้พ้นค้นพบความจริงว่าใจเป็นใครใจเป็นอะไรใจต้องการอะไรท่านก็ทำตามความจริงอันนั้นพอทำสำเร็จใจของท่านก็เลยไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำคือมาหยุดความคิดมาหยุดความอยากในเบื้องต้น พอหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วเทีนี้ก็มามาเลือกเอาความคิดที่ดีจากความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีก็กําจัดมันไปอย่าไปคิดคิดแต่ความคิดที่ดีก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะภูมิใจสิ่งที่เราควรจะดีใจเพราะว่า ความรู้แบบนี้งานงานจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งยากยิ่งกว่าการถู ก, กตะรียรางวัลที่หนึ่งดังนั้นขอให้เรารีบตักตวงผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วเอาความรู้ความเป็นจริงนี้มาเปลี่ยนจิตแปลงเปลี่ยนแปล ง, ปลปลงจิตใจของพวกเราเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเรา มากำจัดความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจแล้วก็มาคิดแต่ในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาท้าวเรวะหาโปราปริโปเลติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเปโเรนตุสัง a ะปาจันโทปนาฬะโสยาทามณีโจติ อารโสยะธาสปิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโววินาศตุมาเตปวัตตันตราโยสุขีธีกายุโกภวาภิวัตนสีลิสาณิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวาทาติ อายุวันโนสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟซบุ o กสามร้อยสิบเจ็ดูทูบหน้อยเก้าสิบแปดวิทยุออนไลน์สามสิบผู้รับฟังบนเขาหกสิบสามรวมหกร้อยสามสิบแปดท่านค่ะต่อไปก็อยากจะถาม่า พูดกลๆ<ไ>ปากหนอยอ่าเมื่อกี้ฟังทำเราค่อนข้างกระจจาง ะ, ะแต่มีจุดหนึ่งที่ยังสงสัยนิดนึงนะคะที่หลวงพ่อพูดบอกว่าจิตของเราถึว่าร่างกายเรายังยังมีชีวิตอยู่<ม>ถ้าเราจะท่าร่างกายยังไม่ดับไปแต่ถ้าเกิดว่าตอนตอนที่เราหลับนะคะ ตอนที่เราหลับจิตเราถึงจะเริ่มออกมาเหมือนที่เราถ้าฝันเราเคยทําดีก็จะฝันดีถ้าเกิดว่าทําไม่ดีก็เหมือนเราจะฝันร้ายเนี่ยคะแต่ถ้าในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฝันก็มีบ้างบางทีมันขี้เกียจมันก็ไม่ฝันนั้นเองมันไม่ใช่มันจะต้องฝันทุกคืนทุกคืนมันไม่ใช่เราจําไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่บางทีมันเหนื่อยมันขี้เกียจมันไม่มีแรงมันก็ไม่ฝันก็ได้ออืบางทีตอนยลางวันทํางานหนักใช้ความคิดหนักบางทีมัน มันเหนื่อยมันไม่มีแรงมันก็อาจจะไม่ฝันค่ะมันไม่แน่ค่ะแล้วในกรณีที่ถือว่าอ่าตอนที่เราหลับเราเราฟังธรรมหรือฟังบทสวดอะไรอย่งี้ค่ะมีผลอะไรต่อจิตเราด้วยไหยคะตอนไหนตอนที่เราก่อนชุดก่อนนอนเราฟังจนเราหลับไปคมันก็เป็นยานอนหลับให้เราเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องจิตเราด้วยก็ถ้ามัน ถ้าเรานอนไม่หลับเราฟังธรรมนอนหลับก็มันก็ช่วยทําให้จิตเราสงบได้ในระดับ ม, ม, มีผู้ฝากถามค่ะการถือศีลแปดสามารถอมลุกอมหรือเคี้ยวมาฝรั่งได้ไหมคะโอยอย่ามาถามเรื่องจุกจิกเลยอย่าไปกินมันก็แล้วกันถ้าสงสยัยถ้าสงสัยอะไรก็อย่าไปกินมันมันเข้าไปก็ยังเสพรูปเสียงกลิก่นรสอยู่การถือศีลแปดนี่ก็เพื่อตัดความอยากเสพรูปเสียงกลิก่นรสต่างๆะ อย่าไปเสพอะไรในมือถ้องมือถือก็ไปปิดมันให้หมดเลยมันก็รูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดมันไม่ได้มีในสมัยพุทธกาลเลยไม่มีกำหนดไว้ว่าต้องดื่มกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้ถ้าอยากปั๊บก็เป็นกิลเลสทั้งนั้นเน่ะอย่าถ้ามันอยากแล้วก็อย่าไปเอาแค่มือเดียวพอจบหลังจากนั้นก็เอาน้ำเปล่าง่ายดี ถือหลักแบบนี้แล้วจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าอั น, นั้นกินได้หรือเปล่าอั น, นี้กินได้หรือเปล่ามันก็ยังเป็นกิเลสอยู่นั่นแนหะมันก็ยังอยากอยู่ไม่รู้เลยว่าเราถือสินป่าเพื่อมาดัดกิเลสมาหยุดกิเลสกันมาหยุดความอยากกันยันถือสินป่ที่ง่ายๆที่สุดก็คือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็อย่าอะไรเข้าปากนอกจากน้ําเปล่าจบดีไหมพระป่าท่านทำอย่างนี้ ท่านอยู่ในปา่าท่านฉันมือเดียวฉันเสร็จแล้วมีอะไรท่านเข้าปากยังไม่มีก็มีแต่น้ําเปล่านะั้น <Yeah. S 1> ท่านไม่ได้เอากายาอมเอากาแฟเอาอะไรติดตัวไปด้วยเข้าไปในปานะ่า yeah. <Yeah. S 1> ท่านเกาไม่มีเวลามาสนใจกับเรื่องพวกนี้ถือศีลแปดพะจะได้มีเวลาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแม้จะมานั่งดูมือถือนั่งดูนั่นฟังนี่ yeah. มันก็ไม่ได้ไปปฏิบัติทำที่ย yeah. งั้นเอามันแบบโบราณดีกว่าคือไม่มีอะไรเข้าปากหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่มีอะไรเข้าทางตาหูจมูกเล่นกายด้วยความอยากของเราให้มันมาตามธรรมชาติเนี่ยให้ภาพที่เราเห็นตามป่าตามเขาแต่อย่าไปหยิบไอ้นั่นมาดูอย่าไปหยิบไอ้นั่นมาฟังมันเป็นกิเลสเป็นความอยากทั่ไหมมันเรียกว่ากามฉันทะเป็นนิวรณ์ตัวที่จะขวางการปฏิบัติทำทำใจให้สงบ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่าอ่าการมาฉันทะอันนี้เป็นตัวนิวรณ์ตัวอุปสรรคตัวใหญ่ตัวที่จะคอยกีดขวางการปฏิบัติธรรมการที่จะทําจิตให้สงบเพราะมันจะไม่มีเวลามันจะไปยุ่งกับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสนี่ยเดี๋ยวก็เปิดดูมือถือเดี๋ยวก็ส่งข้อความเดี๋วก็คอยรอรับข้อความไม่ต้องทําอะไรกันเข้าใจไหมต่อไป คำถามจากคุณกะปิกลาวเรียนถามเจ้าค่ะมีคนชอบมาตามตื้อแต่เราไม่ชอบจะแก้ปัญหาอย่างไรเจ้าค่ะก็ห้ามเขาได้หรือเปล่าห้ามได้ก็ห้ามห้ามไม่ได้ก็ปล่อยก็าไปหลบเขาได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็นั่งเฉยๆไปทำตัวเป็นหุ่นเป็นตุ๊กตาไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวนามสการครับพระอาจารย์ พระโสดาบันนี้ยังมีกรรมคุณอยู่ไหมครับและคนที่รักษาศีลห้าได้นี่ถือว่าเป็นพระโสดาบันไหมครับไม่หรอกการรักษาศีลห้าเนี่ยมันเป็นการบังคับมันไม่ได้เป็นธรรมชาติเนะสําหรับพระโสดาบันนี่มันเป็นธรรมชาติท่านไม่อยากจะผิดศีลไม่ท่านท่านผิดศีลไม่ได้พูดง่ายง่าท่านไม่มีความคิดที่จะทําทําบาปอยู่ในใจแต่พวกที่ถือศีลห้านี่ยังมีความอยากอยู่นะ พอเกิดความอยากบ้างมากเดี๋ยวสีห้าก็ขาดได้งั้นั่นไม่เหมือนกัน <c oughs> ส่วนกามคุณุห้านี้พระสวดาบันยังกำยังกําจัดไม่ได้ยังยังติดอยู่ยังมียังมีความอยากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโดยเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสของของคนอยู่ยังอยากมีแฟนอยากมีสามีมีภรรยาอยู่ยังอยากเสด็จกามอยู่ต้องพิจารณาอสุภาษถึงจะ ตัดความอยากเหตกามนี้ได้ตั้งพิจารณาความส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่น่าดูเป็นเวลาตายเวลาเป็นซากศพหรือดูเข้าไปข้างในข้างในใต้ผิวหนังดูอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายมีโครงกระดูกเนี่ยซ่อนอยู่มองไม่เห็นกันมีปอดมีตับมีลําไส้มีของสกรปรกต่างๆที่ขับถ่ายออกมา มองไม่เห็นก็เลยไปเห็นว่ามันสวยงามหน้าดูหน้าชมหน้ า, นาปราถณาพอไปดูเห็นส่วนที่ไม่หน้าดูหน้าชมไม่น่าปาฏณาามันก็จะลบความอยากได้ทำลายความอยากได้คำถามจากคุณเดินตามธรรมะการเห็นเหตุการ์ล่วงหน้าแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆแต่ก็ไม่ได้เชื่อแบบงมงายนั่งเก็บสถิติว่าจริงทุกครั้งหรือไม่ปรากฏว่าจริงเช่น เห็นยี่สิบจริงสิบเก้าขอวิธีวางใจให้อยู่กับมันได้ก็รู้เฉยๆไปรู้ก็ดีเช่นรู้ว่าเย็นนี้ฝนตกก็จะได้รีบเตรียมนมไว้เท่าออกไปนอกบ้านก็แท่นั้นเองถ้ามันจะมีผลอะไรกระทบกับเราเราก็จะได้ป้องกันได้แต่มันก็อาจจะไปรู้ในสิ่งที่เราป้องกันไม่ได้หรือว่าเย็นนี้จะตายมันก็ต้องทําใจแล้วนั่นเองก็แต่งเตรียมตัวเป็นโสดาบันนั่นนั่นเอง ถึงจะไม่ทุกข์ก็ยอมตายคำถามเจ้คุณมนาธความโลภในใจเยอะควรละยังไงดีครับให้สบายขึ้นก็อย่าไปทํามันสิอย่าไปทําตามความโลภถามตัวเองวิธีแก้ความโลภนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมถ้ามันจำเป็นก็ไม่ใช่เป็นความโลภถ้ามันไม่จำเป็นก็แสดงว่าเป็นความโลภไม่จำเป็นเป็นยังไงถ้ามไม่ได้มัน้ตายม ถ้าถ้าตายก็แสดงว่ามันจำเป็นถ้าถ้าไม่ได้มัแล้วไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นเช่นลมหายใจนี่จาเป็นไหมต้องโลภไหมต้องหายใจแต่แฟนนี่จาเป็นไหมถ้าไม่มีแฟนตายไหมไม่ตายก็ไม่ต้องไปมีแฟน <c oughs> คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ นมัสการครับปกติผมจะนึกถึงพุทโธอยู่และพอฟังธรรมของพระพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรืออ่านหนังสือสวดมนต์คำแปลในการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาเป็นแบบนี้บ่อยมากครับเลยอยากทราบว่าเป็นเพราะอาการปิติหรือเพราะอะไรครับก็เป็นอาการของจิตเราที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นๆนั่นเอง ก็เป็นเรื่องของจิตของแต่ละดวงที่ไม่เหมือนกันบางคนมีความประทับใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความเพิ่มปิติเกิดความป ฏ, ฏิกิริยาต่างๆออกมาเห็นมหมเด็กเดี๋ยวนี้พอเจอดาราในกรี๊ดกันนะไม่ต้องบอกให้กรี๊ดกรี๊ดออกมาเองใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของป ฏ, ฏิกิริยาของจิตแต่ละดวงที่มีต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระทบมาสัมผัสเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีสติเราก็สามารถจะควบคุมมันได้ถ้าเราไม่ต้องการให้จิตมีปฏิกิริยาถ้ามีสติเราก็เฉยๆได้ยินก็เฉยๆดูก็เฉยๆได้แต่ถ้าเราไม่ควบคุมเราจะปล่อยให้มันมีปฏิกิริยาก็ปล่อยได้อย่างหลวงตาท่านเคยท่านเคยปล่อยให้จิตของท่านแสดงอาการเพิ่มปิติจากการที่ได้ พบกับธรรมขั้นสูงสุดขั้นสุดท้ายท่านบอกว่าจิตนั้นรู้สึกมีความาสมเพศเวทนากับความโง่ความอะไรของตนเองที่ไม่รู้ว่าจิตของตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสามารถเปลี่ยนให้เป็นอย่างนี้ได้เพราะอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่ทำให้ท่านได้เห็นความจริงได้สัมผัสความจริง ท่านก็เลยปล่อยให้จิตมันแสดงอาการไปพูดไปร้องไห้ไปไปเห็นการเทศกันนั้นไหมมีกันอยู่เทศหนึ่งที่ท่านเทศไปแล้วก็ร้องไห้ไปแต่ทุกครั้งท่านเคยเทศท่านไม่เคยร้องไห้แต่ครั้งนั้นท่านปล่อยท่านไม่ไปควบคุมบังคับความรู้สึกของใจต่อต่อธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็เลย ท่านก็เลยปล่อยให้มันแสดงอาการออกมาท่านเลยคำถามจคุณนโมมีสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งขั้นโสดาบันต้องสามารถข้ามเวทนาขณะนั่งสมาธิให้ได้ด้วยหรือไม่คือขั้นขั้นสมาธิก็ต้องข้ามไม่ได้ก่อนจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ <c oughs> มันก็เป็นนิวรณส่วนการข้ามเวทนาแบบโสดาบันนี่มันข้ามด้วยปัญญา ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตนไม่ใช่จิตเวทนาเป็นผลที่เกิดจากการมีร่างกายร่างกายมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จิตต้องไม่ไปทุกข์กับมันจิตต้องปล่อยวางเวทนาปล่อยวางความเจ็บของร่างกายถ้าปล่อยวางได้ไม่กลัวความเจ็บก็ถึงจะเรียกว่าเป็นโสดาบันไดเกี่ยวกับความเจ็บก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องฉีดยาชา เนี่ยพระกรรมฐานนี้ท่านไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเัญหาร่างกายท่านเจ็บปวดทรมานอย่างไรท่านก็อยู่กับมันไปท่านใช้ธรรมะโอสถท่านใช้สติใช้ปัญญาควบคุมความความอยากในใจทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วความเจ็บทางร่างกายก็จะไม่สามารถมากระทบกระเทือนจิตใจได้คำถามที่สองค่ะ และหาก่อนตายเกิดเจ็บปวดกายแล้วใจทุกข์จากความเจ็บนั้นจิตจะไปอบายหรือไม่กราบขอบพระคุณยิ่งค่ะก็แล้วแต่ว่าจิตมันไม่ได้มันจะไปอบายไม่ได้ไปตอนสุดตอนนาทีสุดท้ายหรอกมันอยู่ที่บุญหรือบาปที่ได้ทํามาตั้งแต่เกิดมานี้รับกับของพบ ก, ก่อนชาติก่อนที่ยังหรือมีอยู่สะสมไว้ถ้าบาปมันมากกว่าบุญมันก็จะไปอบาย ถ้าบุญมากกว่าบาปมันก็ไม่ไปอบายถ้าเป็นพระอริยะบุคคลมันก็จะปิดอบายได้เพราะอิทธิพลของบาปจะไม่สามารถมาบีบคั้นจิตใจให้ไปอบายคําถามจากคุณจูนขณะเดินจงกรมจิตจดจ่ออยู่กับเท้าและพูดซ้ายขวาซ้ายขวาในใจได้แล้วแต่กลับมีความคิดซ้อนขึ้นมาอีกขั้นบอกว่า อ๋อทำได้แล้วหรือเอ๊ะตะกี้คิดนะอย่าคิดอย่าคิดไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรไม่ให้มีความคิดนี้คะพระอาจารย์ก็กลับมาซ้ายขวาต่อเท่า น, นั้นเองสิเหมือนยากตรงไหนเนี่นเยเมื่อก่อนมันซ้ายขวาซ้ายขวาก็ซ้ายขวาต่อไปอย่าไปสนใจกับความคิดวิพากวิจารณพอวิพากวิจารณ์ก็คุยกับตัวเองไปคุยกันไปคุยกันมาอะไรลืมซ้ายขวาไปเลย หน้าที่ของเรามีนะหน้าที่ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเหมือนนักมวยชกซ้ายชกขวาอย่าไป พ, พิพากษวิจารเดี๋ยวโดนน็อกเดี๋ยวกู้ต่อสู้กับมึงมานั่งเถอะซ้ายขวา ก, กูก็เลยเปรี่ยงเข้าที่หน้าผากงั้นอย่าลืมซ้ายขวาถ้าเราใช้ซ้ายขวาก็ซ้ายขวาต่อไปพอมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าไปสนใจถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธไป ไม่ใช่พอพุทธโธได้หน่อยอกูได้พุทธโธแล้วว่าอย่างงูอย่างนี้อคุยตัวเองหดือพุทธโธไปแล้วเลิกพุทธโธแล้วอย่าเริ่มกิเลกกิเลมันฉลาดมันมาหลอกเราได้ทุกทุกช่องทางมันพยายามดึงให้เราออกจากพุทธโธดึงจากซ้ายขวาดึงออกจากลมหายใจนี้เท่านั้นเราก็รู้ว่ากลนของมันมีแค่นี้แหละเราก็อย่าออกไปมันก็จบอมึงจะมาหลอกกูยังไงกูก็จะอยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาไป แต่มันเผลอเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวพอมีอะไรมาสัมผัสหน่อยไปแล้วกระทบคิดอะไรไปแล้วต้องดึงมันกลับมาเรื่อยๆนี่เรียว่าเป็นการสร้างสติพอไปก็เผลอสติแล้วพอไปคิดปรุงแต่งก็เผลอสติแล้วต้องไม่คิดปรุงแต่งถึงจะไม่ไม่เผลอสติคําถามจะคุณวิชัย ขอโทษค่ะไม่ให้ออกนามค่ะมันก็ไม่เห็นน้องพูดเลยพูดไปแล้วคนเกิดครั้งก็ไม่รู้หรอกเป็นใครถ้าเจอคนที่เห็นแก่ตัวไม่สนใจคนอื่นและนึกถึงผู้อื่นเราควรทําใจอย่างไรดีเจ้าค่ะก็สาธุสาธุไปก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปไปเหมือนเขาก็แล้วกัน เราเอาตัวอย่างที่ไม่ดีมาสอนเราว่าเราไม่ควรจะเป็นเอาตัวอย่างที่ดีมาสอนเราว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นคนดีเราก็สาธุเห็นคนไม่ดีก็สาธุเพราะเราดูเขาว่าเป็นแบบดูหนังสือหนังสือมันก็มีเรื่องดีเรื่องไม่ดีให้เราสอนเราให้รูเ้เรื่องไม่ดีอย่าไปทำเรื่องดีทำ เ, เห็นคนไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามเขาเห็นคนดีเราก็ทำตามเขา ก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะมันแค่เรื่องของเรานอกจากเขามาขอคําปรึกษาถ้าเราพอที่จะให้คําปรึกษาที่ดีได้ก็ให้เขาไปถ้าให้ไม่ได้ก็ปฏิเสธไปเท่านั้นเองคําถามจากคุณสุนันต์กราบเรียนพระอาจารย์ว่าเราจะตัดความโกรธความเกลียดได้อย่างไรเจ้าคะไม่มีสติทุกครั้งเลยค่ะความโกรธมันเกิดจากความอยากนะครับ พออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธพอโกรธก็เกลียดนะอยากให้เขาทำนู่นทำนี้ให้เราพอเขาไม่ทำอยากจะยืมเงินจากเขาเขาไม่ให้ยืมก็โกรธเขาแล้วก็เกลียดเขาเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปอยากได้อะไรจากเขาเราก็จะไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาอยางพยายามอย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วจะไม่โกรธใครพยายามยินดีตามมีตามเกิดอย่างที่สอน สันโดษยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่เรามียินดีกับสิ่งที่เราได้รับก็พอและเราจะไม่เสียใจไม่ผิดหวังไม่น้อยใจไม่โกรธไม่เกลียดใครคำถามจะคุณพัชรากรานมาสการพระคุณเจ้าเราควรอธิษฐานก่อนใส่บาตว่าอะไรดีขอรับ ขอให้ทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยอธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลผลไม่ต้องอธิษฐานเพราะมันตามด้วยเหตุถ้ามีเหตุแล้วผลมันก็ตามมาเั็นกอนที่เราใส่บาตก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ใส่บาแตแบบนี้ทุกเช้าเช้าวันนี้ใส่บาตแล้วพรุ่งนี้ขอให้ได้ใส่อีกไม่ใช่ใส่บาตแล้วขอให้ไปนิพพานขอยไงมันก็ไม่ได้ขอให้ถูกหวยบางคนก็ใส่บาตเช้าเย็นนี้ขอให้ถูกหวยมันผลมันอยู่ที่เหตุ เหต้องการใส่บาตก็คือทําให้เรามีความเมตตามีการเสียสละมีการแบ่งปันเอทําให้เรามีความสุขจากการได้ทําบุญมันมีแค่นั้นนะผลจากการทําทานจะไปขออะไรมันก็ไม่ได้นอกจากนั้นนอกจากที่มันจะให้เราทั่านเอ ง, งั้นไม่ต้องแบบอธิษฐานที่ผลทุกครั้งที่อธิษฐานนี้อธิษฐานที่เหตุคือขอให้เราได้มี มีโอกาสได้ทําบุญอย่างวันนี้พรุ่งนี้ขอให้ได้ทําอย่างนี้อีกถ้าถ้าเราไม่ขอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ทำใช่หไหมเพราะเราก็จะคิดว่าวันนี้ทําพอแล้วพรุ่งนี้ไม่ทำํำนะนี่แสดงว่าไม่ได้อธิษฐานเดี๋ยวันนี้มาอธิษฐานมาทําบุญเดี๋ยวลองอธิษฐานดูววพรุ่งนี้ขอทําอีกถ้าอธิษฐานเนี่ยวพรุ่งนี้ก็จะได้กลับมาเจอกันอีกนถ้าไม่อธิษฐานก็ไปที่อื่นแล้วค่ะจะคุณพัชราต่อนะคะ เราจะทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้มีบุญหรือบาปมากกว่ากันเก็ดูตอนที่เรานอนแล้วว่าเราฝันดีหรือฝันร้ายเป็นส่วนใหญ่ถ้าฝันร้ายมากกว่าฝันดีก็บาปมากกว่าบุญหรือเวลาที่เราตื่นเราสุขมื้อมากกว่าทุกมันก็มันเขาบอกเราอันนี้คือตัววัดความบุญกับบาปที่มีอยู่ในใจถ้าเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์เราก็มีบุญมากกว่าบาปถ้าเรามีความทุกข์มากกว่าบาป เราก็มีมีบามาก็บุญพระอาจารย์คะแล้วถ้าไม่ฝันนี่ยังไงคะเท่าทุนนะคะมันก็พักผ่อนบ้างสิมันจะฝันทุกคืนบางทีก็ฝันบางทีก็ไม่ฝันไม่ใช่การว่าเราไม่ฝันแสดงว่าเราเราเรามีฌานมันไม่ใช่หรอกถ้าเรายังไม่เคยมีฌานเราก็จะเวลาเราไม่ได้ฝันมันไม่แสดงว่าเรามีฌานแต่คนที่มีฌานมักจะไม่ฝันคนที่มีสมาธิจะไม่ค่อยฝัน พอใจเขาไม่ค่อยคิดอะไระคำถามจะคุณยินยินในห้องมีมดเยอะเวลาจะเดินจงกรมเดินไปก็พยายามมองพื้นเดินหลบหมดไปแต่ก็เผลอเหยียบบ้างไม่ตั้งใจบาปแล้วแบบนี้เท่ากับไม่เดินจงกรมใช่ไหมคะก็ไปหาที่อื่นเดินก็ได้เนี่ยมันจะชอบหาเหตุไม่เดินอยู่ด้วยใช่ม เราจะทําความดีหน่อยมีเหตุอะไรมาขวางหน่อยไม่ทําเลยแต่เวลาไปเที่ยวมีเหตุมากกว่านี้ยังหาวิธีข้ามเหตุเหล่านั้นไปได้ใช่อืมมันอยู่ที่เราอ่ะอยู่ที่เราอยากจะเดินจง ก, กรมหรือไม่อยากจะเดินถ้าไม่อยากมีอะไรนิดมันก็เป็นเหตุได้แต่ถ้ามันอยากจะเดินมันเดินตรงนี้ไม่ได้ก็หาที่เดินตรงอื่นก็ได้ตรงนี้มีปัญหาก็หาวิธีแก้มันสิหาวิธีาไม่ให้หมดมันมาเดิน ขวาดมันออกไปบ้างกวาดไปทิ้งแล้วก็มีมีชอ็อกมีอะไรมาขีดกันไม่ให้มันม า, ม, ามันได้กลิ่นชอ็อกมันก็ไม่เหม็นมันก็ไม่มาต่อไปมันก็ไม่มาก็รู้จักวิธีแก้มันไม่ใช่แก้ไม่ได้เวลาจะไปเที่ยวมีอุปสรรคยังแก้ได้จองที่พักที่นี้ไม่ว่างก็ยังหาที่พักอันอื่นได้เข้าใจไหมเครื่องบินเที่ยวนี้แต่มันก็ยังหาเที่ยวอื่นได้ไม่ใช่พอเตินปั๊บกูไม่ไปเลยอ มันอยู่ที่ความอยากของเราเนอะถ้าเราอยากแล้วต่อให้มีอะไรมาขวางมันก็ขวางไม่ได้เนาะแต่ถ้ามันไม่อยากแล้วต่อให้อะไรมามีอะไรมามันก็นิดเดียวมันก็ไม่ไปแล้วมันเป็นเหตุขึ้นมาทันทีเจาะไปยังขออีกคําถามนึ่งค่ ะ, ะ, ะจากคุณจัญญาจากแคนาดาค่ะเชื่อว่าการได้พบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ถ้าเชนนั้นการที่หนูได้ฟังพระอาจารย์เทศและเกิดศรัทธาพระอาจารย์คือได้เคยเป็นศิษย์พระอาจารย์ไหมคะเพราะหนูกะเพราะหนูอยากไปกราบพระอาจารย์มากเลยมันไม่ได้มาเข า, าเป็นสิ่ยแล้วเขาไม่บังเอิญก็คือมันมีเหตุมีปัจจัยทำให้เรามาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พบคนนั้นคนนี้ เหตุปัจจัยก็คือเราอยากฟังธรรมแล้วก็ค้นหาในยู u b e คนไปคนมาก็เจออันนี้เราก็มาฟังอันนี้ก็เรียกว่าเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นเรื่องของบังเอิญถ้าเราไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมก็ไม่มีวันจะมาเจอกันใช่ไหมเพราะฉะนั้ น, นที่ท่านว่าไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญก็คือมันมีเหตุมีปัจจัยพาเรามา งั้นแต่มันไม่ได้มาเขาว่าในอดีตก็เาเคยมีอะไรต่อกันงั้นเจอใครที่ไหนก็ต้องมีมีมีอดีตกันมาทุกครั้งไปสิใช่ไหมมันไม่ใช่หรอมันอาจจะมีอาจอาจจะไม่มีก็ได้แต่มันไม่ได้มาเขาว่าจะต้องมีอดีตกันทุกครั้งไปเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ